ยังกระทาให้คณะสงฆ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายอพอมันเตรียมการบวชพวันนั้นออกพรรษาซะก่อนท่านโยมนะ เ, เดี๋ยวพวกอาตามาจะเป็นต้นบัญญัติแหละพิสุใดบวชคุณระบุตรในพรรษาปรับอวบัติอัตพวกอาตามาเขาไม่อยากจะเป็นต้นบัญญัติ เ, เป็นต้นเรื่องอจากนั้นประสงค์กับปฏิเสธไปพอปฏิเสธ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 ในการบวชคุณระบุทุดท้ายคุณระบุ ด, ด้วยเถิดเพราะว่าการขาวที่เขาอยากจะบวชเขาก็มีศรัทธาพอหมดช่วงนั้นไปแล้วเขาก็หมดศรัทธากันน้าเสียดายขอพระองค์จงขอพระองค์โปรดเมตตาอนุญาตในการบวชคุณระบุ ด, ด้วยเถิดพระเจ้าค้านางวิสาขาพูดอย่างนั้นพระพุทธองค์เลยอนุมัติตามเออเอาใช่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 เดินพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยได้สักชั่วโมงหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดอีอันนี้เราตั้งไว้เลยบังคับจกของไว้พอเรามาบวชเพื่อเพื่อศึกษาศึกษาจิต ภ, ภาวนาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นนะลูกหลานนะไม่ได้มาเพื่อวิทยายุทธอย่างอื่นนะเรามาเพื่อจิตวิทยายุทธยุทธะต่อสู้กับกิเลสภายในใจความรู้สึกนักคิดของเรา น, ะนี่แหละ จากนั้นพอเสร็จขึ้นมานั่งเดินยงกรมเสร็จแล้วก่อนล้างล่าล้างตาล้างไม้ล้างมือเสร็จแล้วขึ้นมาก็ น, นั่งไหวพระซะก่อนก่อนจะนั่งกาพุทโทธรรมโอสังโฆซะก่อนจากนั้นกับปนมมือขึ้นระหว่างอกนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วหายจากนั้นกับกราบเขารบถึงพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างที่เราจะเดินยังกลมนั่นแหละจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงแลพุทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท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 ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันจะฝังรึกเข้าสู่จิตใจนะลูกหลานนะถ้าภาวนาได้จิตใจสงบลงไปแล้วลนั่นแหละท่นี่เราจะรู้ได้เออกายกับใจใจกับกายออมันเป็นยังไง น, นนะ่ความหมั่นความขยนันมันเกิดขึ้นมาเองทนีออ่จากนั้นเมื่อเราไปเป็นคราวาสเราก็ยังลําลึกถึงออในการที่เราเข้ามาบวชในคราวนั้นครั้งนั้น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 ตกในท้องฟ้าการเกิดการตายของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายมากถึงขนาดนั้นหละมันไม่ใช่วิสัยของพระมหากัจ ป, ปะมหากัจ ป, ปะที่ท่านนั่งเข้าสารสมาบัติท่านมองดูจุตูปปาปาตยานมองดูจุตูปปาปาตยานการเกิดการตายของสปปรรพสัตว์พระพุทธเจ้าแผ่รัทธมีมาเลยกัสจ ป, ปะไม่ใช่วิสัยของเธอที่จะมองดู จุตูปปาตยานเป็นวิสัยของพุทธะเท่านั้นฮะพราะพุทธองค์บอกเลยการมองดูการเกิดการตายของสรร พ, พสัตว์ทั้งหลายเป็นวิสัยของพุทธะพระุทธองค์บอกว่าเหมือนกับเหมือนกับเมล็ดฝนตกลงในอากาศการเกิดการตายของสรร พ, พสัตว์ทั้งหลายมันมากถึงขนาดนั้นแหละเนี่ยแหละนี่คือจุตูปะปาตยานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดที่นี่มาจากไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกใหนเลยทํานายให้เลยว่า